หาอันดับเรื่องเล่าสยองขวัญในโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ใช่เพียงสถานที่ของคนป่วยเท่านั้นาแต่ยังเป็นสถานที่ของคนตายอีกด้วยแน่นอนว่าที่ไหนมีความตายที่นั่นย่อมมีผีมาสัมผัสกับเรื่องผี5้าเรื่องที่ชวนสยองในโรงพยาบาลไม่แน่อาจเป็นโรงพยาบาลที่คุณเคยไปก็เป็นได้ ระดับที่หที่นี่คือที่ของหนูชายคนหนึ่งเข้ามารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแห่งนี้เขาขอนอนที่ตึกใหม่วันแรกที่เขานอนที่ตึกใหม่นั้นเพิ่มความสบายใจเป็นหนึ่งคืนเพราะยังไม่เจอกับอะไรที่น่ากลัวแต่พอคืนที่สองเท่านั้นในช่วงที่เขาเริ่มเคริ้มหลับครันหูของเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาใกล้ๆใกล้เข้ามาทุกทีทุกที เขาลึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้เปิดประตูห้องให้เลยทำไมเสียงฝีเท้าเหมือนเดินเข้ามาในห้องเขาลืมตาขึ้นมาก็พบว่ามีเด็กผู้หญิงตัวซีดเผือดอยู่ในชุดคนไข้ของโรงพยาบาลก็มองมาที่เขาและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นยะเยือกว่าออกไปนะที่นี่มันเป็นที่ของหนูทันใดนั้นเองเด็กหญิงคนนั้นก็ค่อยๆปีนขึ้นมาบนเตียงผู้ป่วยของเขา แต่ด้วยความที่เขาป่วยและไม่ค่อยได้สติดีจึงได้บอกออกไปว่าขอให้เขานอนที่นี่คืนหนึ่งแล้วจะไปทันทีไม่ทันขาดคําร่างเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาแต่เรื่องราวยังไม่หมดแค่นี้ในคืนเดียวกันนั้นเองหลังจากที่เขาได้หลับไปกลับมีเสียงเด็กผู้ชายดังขึ้นว่าลุงลุงช่วยซื้อพอมอะลัยหน่อยสิตอนนั้นเขาคิดว่า เป็นแค่ความฝันแต่พอลืมตาขึ้นมากลับพบร่างเด็กชายคนนั้นเต็มไปด้วยเลือดและไม่มีขาทั้งสองข้างอันดับที่สผีเด็กทารกณนะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีเด็กใบรุ่นหญิงชาวฮาม่ามาคลอดลูกที่โรงพยาบาลนี้เหตุการณ์ผ่านไปด้วยดีแม่และลูกปลอดภัยแต่ไม่น่าเชื่อว่าผ่านไปแค่เพียงหนึ่งวัน ซึ่งเป็นลูกของหญิงพม่คนนั้นกลับกลายเป็นศพมีคนเล่าว่าเห็นสภาพศพเด็กคนนี้เหมือนถูกจับกดน้ําอยู่ในห้องน้ําแต่หญิงสาวที่เป็นแม่นั้นกลับหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปตอนไหนหลังจากวันนั้นก็มีเสียงร่ําลือกันว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่ง น, นี้ก็จะพบกับเรื่องราวชวนสยองแทบทุกรายมีทั้งโดนผีเด็กมาดูดนมหรือได้ยินเสียงร้องไห้อยู่ข้างเดียว หลังจากนั้นจึงได้มีการนําของเล่นและนมไปวางไว้ให้ในห้องน้ําคนที่อยู่บริเวณนั้นก็มักจะได้ยินเสียงหัวเราะเสียงเหมือนมีใครมาเล่นของเล่นทั้งทั้งที่ในห้องน้ํานั้นไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวอันดับที่3ผีหัวขาในห้องน้ําเรื่องนี้เคยเป็นข่าวดังณักนะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอยุธยาผู้คนต่างพากันหวาดกลัว จนไม่กล้าไปโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวเรื่องราวมีอยู่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพี่สาวของเธอป่วยและเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลแห่งนี้ห้องพักเป็นห้องรวมและต้องใช้ห้องน้ําร่วมกันเธอสังเกตว่าช่วงเวลาที่เธอมาเฝ้าไข้นี้ไม่มีญาติของผู้ป่วยคนไหนเป็นผู้ชายแม้แต่คนเดียวแล้ววันหนึ่งเวลาประมาณสองทุ่มเธอก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในห้องน้ํา เขาเป็นชายร่างสูงสวมเสื้อสีชมพูเธอรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่ผู้ป่วยห้องนี้มีญาติซึ่งเป็นผู้ชายมาเยี่ยมเธอหันกลับไปมองที่เตียงของผู้ป่วยคนอื่นๆไปเรื่อยๆและได้หันกลับมาที่ชายคนนั้นอีกทีสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าทาให้เธอตกใจมากร่างของชายคนนั้นยืนอยู่ข้างผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยแต่สิ่งที่เธอต้องตกตะลึงจนแทบช็อกก็คือ หัวของเขาไม่ได้อยู่บนบ่าแต่กลับไปอยู่ในมือของชายคนนั้นแทนเธอตั้งสติและรีบวิ่งไปหาพยาบาลทันทีหลังจากพยาบาลได้ฟังเรื่องของเธอแล้วกลับตอบแค่ว่าเคยมีคนเจอเรื่องแบบคุณมาสองคนแล้วเท่านั้นอันดับที่สองผีโรงพยาบาลร้างเรื่องนี้เป็นเรื่องของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีวิญญาณวนเวียน เฝ้าหลอกหลอนใครต่อใครจนทำให้ต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีใครกล้ามาใช้บริการเรื่องมีอยู่ว่าคุณป้าท่านหนึ่งมีบ้านอยู่ในซอยเดียวกันกับโรงพยาบาลร้างแห่งนี้วันหนึ่งมีความจำเป็นต้องกลับบ้านดึกจึงเรียกแท็กซี่ให้มาส่งในขณะที่ขับไปใกล้ถึงหน้าโรงพยาบาลอยู่ๆแท็กซี่ก็เบี่ยงหลบเข้าข้างซ้ายจนคุณป้าตกใจและถามไปว่าหลบอะไรมีอะไรเหรอ คนขับแท็กซี่ก็ตอบแบบงงว่าก็รถพยาบาลก็เปิดสัญญาณขอทางอยู่ข้างหลังไงเท่านั้นแหละคุณป้าเกิดอาการขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีในเมื่อในซอยนี้มีแต่โรงพยาบาลร้างเท่านั้นแล้วรถพยาบาลที่ไหนจะมาวิ่งแถวนี้คุณป้าเกิดพลั้งปากพูดกับคนขับแท็กซี่ไปว่านี่คงเป็นรถผีแน่ๆเลยนี่มันโรงพยาบาลร้างสิ้นเสียงของคุณป้าคนขับแท็กซี่ก็บอกให้คุณป้าลงระหว่างทางทันที ก็ใครมันจะกล้าเข้าไปส่งละ่ะคุณป้าจำใจต้องลงและเดินต่อไปเพื่อให้ถึงบ้านในระหว่างเดินแกก็ได้ยินเสียงโหยหวนมาจาักในโรงพยาบาลตลอดเวลาทั้งเสียงร้องไห้พอเงยหน้าไปก็เห็นไฟเปิดเปิดปิดปิดและเห็นคนอยู่บนดาดฟ้าของโรงพยาบาลร้างแห่งนี้เพียงไม่กี่อึดใจร่างนั้นก็กระโดดลงมาจากดาดฟ้าหล่นลงมาที่พื้นทันที แกตกใจจนหมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาก็กลายเป็นคนสติไม่ดีแล้วมีข่าวว่าหลังจากนั้นสามสีวันแกก็ผูกคอตายในห้องน้ําอันดับที่หนึ่งห้องเก็บศพเป็นเรื่องของผู้ช่วยแพทย์ชนสูตรศพคนหนึ่งซึ่งเป็นวันที่เขาเข้าเวรดึกพอดีในคืนนั้นเองได้มีเคสผู้หญิงผูกคอตายเข้ามาแต่เป็นเพราะเวลานั้นมีเขาอยู่เพียงคนเดียว เขาจำเป็นต้องรอหมอมาก่อนจึงทำการชนะสูตรศพได้ขณะที่รอหมอไปเรื่อยๆนั้นก็มีพายุพัดเข้ามาแล้วฝนก็ตกหนักมากทำให้ไฟฟ้าดับหลายตึกดับอยู่พักหนึ่งไฟที่ตึกอื่นๆก็เริ่มติดและสว่างขึ้นมีเพียงแค่ตึกนิติเวทที่เขาอยู่เท่านั้นที่ไฟยังไม่มาเวลานั้นมีแต่ความมืดสนิทและวงเวงมากระหว่างที่เขารอจนเกือบเคลิ้มหลับไป ก็พลันได้ยินเสียงเคาะดังขึ้นก๊อกก๊อกก๊อกเขาคิดว่าหมอคงมาแล้วจึงลุกไปเปิดประตูแต่ก็ไม่พบใครแม้แต่คนเดียวในใจพลันคิดไปว่าอาจจะเป็นโจรขโมยศพแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าคงไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็กลับไปนั่งที่เพื่อรอหมอแต่ยังไม่ทันจะได้นั่งก็ได้ยินเสียงเคาะอีกแต่เสียงนั้นดังกว่าเดิมมากเขาพยายามฟังว่า เสียงนั้นดังมาจากไหนปรากฏว่าเสียงนั้นกลับดังมาจากห้องเก็บศพที่อยู่ข้างๆเขาหยิบมีดและเดินไปที่ห้องเก็บศพทันทีในขณะที่กําลังจะเปิดประตูห้องเก็บศพเข้าไปนั้นหูของเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ืห อ, อ, อ, อ, อและเสียงกรีดร้งไปทั่วห้องเขาตัดสินใจเปิดประตูสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ผูกคอตายอยู่เหนือศพเขาตกใจมาก รีบเข้าไปช่วยและตัดเชือกพอตัดเชือกขาดปรากฏว่าสิ่งที่หล่นลงมากลับมีแค่หัวเท่านั้นหัวคนคลิ้งตกไปอยู่ที่พื้นเขาหันไปมองที่หัวนั้นพร้อมกับได้ยินเสียงหัวนั้นพูดด้วยเสียงอันโหยหวนว่าพี่พี่ช่วยหนูด้วยหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ